เวลาปฏิตัตวเวลจิตมันฟุ้งไปอล้วนะพอรู้สึกตัวกลับมาก็รู้สึกเหมือนมันถูกปีหรือว่าคุณรู้สึกว่าถูกกระชาเป็นอยนบ่อยค่ะไม่ทราบมากเป็นอะไรแล้วก็ฏิัติิดเปตอนตอนที่มันฟุ้งไปไม่รู้สึกว่ามันมันมันถูกกระชาตอนแต่ตอนกลับมารู้สึกยังไงบางีก็ถูกปี บางทีงุ่ณตูตูอาชาเคยฟังหลงพ่อปาโมกฟังสีดีท่านนะคะท่านบอกว่าถ้าเรารู้สว่านตึงนั่นคือการเพ่งจอ้องแต่ว่าโยมยังไม่ทำได้เพ่งอ่างแค่รู้สึกว่าเอาไปแล้วเนี่ยก็กลับมาปุ๊บ ก, ก็มีอาการว่าถูกบีหรือว่าถูกกระตุกนะคะโยมจะลองดูตัวเองนะตอนตอนที่เรารู้สึกว่ามันกลับมาเนี่ย เราพยายามตั้งใจดึงมันกลับมาหรือเปล่าหรือเรามีความเหมือนมันมันคิดหรือมันเผลอไปแล้วเราเหมือนพยายามให้มันกลับมาหรือเปล่ามีไหมก็มันกลับมาเองค่ะไม่ได้พยายามมันกลับมาเองค่ะแล้วกลับมาเองแล้วควรู้สึกใช่แล้วคราวนี้ตอนที่มันกลับมาแล้วตอนความรู้สึกตอนนั้นเราเหมือนเราตั้งใจเราก็แค่รู้เฉยหรือว่าเราตั้งใจว่า ไม่อยากให้มันไปอีกแล้วแค่รู้ค่ะแค่รู้แล้วก็บอกว่ามึงจะตั้งใจงแต่ว่ามันเกิดจากการที่ว่าบีเนี่ยก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเราจะตั้งใจงอ่าแล้วพอพอเป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกนในในกันยัไงตอนพอมันบีตร<อ>ู้สึ ก, <อ>กดได้ก็ก<อ>็รู้ว่ามันเป็นอ่าี้ถ้าแบบนั้นก็ถ้าเราเจนนาสองส่วนอย่างที่ว่าเราไม่ตั้งใจที่จะดึงมันมาไม่ไม่ให้ใช้ความพยายาม มากเคยเป็นการดึงจิตกันมาแล้วอย่างที่สองเราไม่ได้ตั้งใจที่จะประคองว่าไม่ให้มันใส่อีกถ้าเราไม่ได้ทําแบบทีสองอย่างถ้ามันจะเป็นอยู่นะก็ท่านั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่มันเป็นของมันเองนะเราก็เขาก็แค่รู้สึกของมันอย่างนั้นนะเขแค่รู้สึกว่ามันถูกบีรู้สึกว่ามันดูอัดแต่ด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ต้องไปเข้าใจมันละเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเหตุที่เราทําเริ่มต้นมันมันไม่ผิดก็ ก็ถือว่าดีก็ถูกแล้วอีกคำถามหนึ่งนะคะคือเนื่อจากฟูงบ่อยใช่ไหมคะก็พอกลับมาก็เลยวอนนีความตั้งใจแล้วแล้วก็พยายามประคองจิตให้มันอยู่กับอาการเพื่อนอาการอยู่อันนี้เป็นการรับษาหรือเปล่าแล้วก็คือยนสงสัยระหว่างความตั้งใจกับการเิ่งจ้องมันรู้สึกว่ากังเทกันมากอืม คือก็ดูอย่านี้คือถ้าเราเพ่งจ้องแรกๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าทํานานๆไปมันจะมีความเหมือนอึดอัดเหมือนความจะมีความเหนื่อยอันนี้ถ้าเป็นการเพ่งจ้องมันจะเป็นนะนนะแต่ทั้งอึดอัดทั้งกายทั้งใจหรือว่าทั้งเหนื่อยทั้งกายทั้งใจอันนี้อันนี้ถ้าแบบนี้คือการเพ่งจ้องแต่ถ้าการตั้งใจนะ การตั้งใจก็คือวเหมือนเราเพิ่มความตั้งใจเข้าไปแต่มันจะไม่คือท่ามันจะไม่คือทามันจะไม่เหนื่อยรอรอจิตมันกลับมาจากาปรับปรุงสร้านได้มากขึ้นมันจะมีเรียกว่ามีความสงบมีความสุขจะกลรบมาที่ข้ามาแทนที่มันจะไม่กลายเป็นความทุกข์มันจะกลายเป็นควา ม, มสงบแล้วก็มีความสุขน้อยๆแม้บาข้าั้งจะฟุ้งบ้างก็แต่ก็ แล้แพลวหรือว่าไม่มากเหมือนแต่ก่อนคือเพแค่ไงเวลาที่โยมมีความสุขตอบมันจะตั้งใจแล้วก็พยายามประทองจิตว่าให้มันอยู่กับอาการเพื่อนเนี้ยแล้วโดยที่โยมไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าเหนื่อยอะไรก็ ก, ก็คือทำทุก <c oughs> ต่อใจกได้ใช่แต่ที่จริงก็คําว่าประทองจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามให้มันไม่หลงเนาะ ถ้าวประกอบจคือให้จิตมันอยู่เราตั้งใจที่จะรู้สึกกับร่างกายก็ให้ใจมันคล้ายๆมีความตั้งมั่นอยู่ตรงนีน้แต่ไม่ใช่เหมืนอนประคองเพาะกลัวว่ามันมันจะหายไปน ะ, ะก็รู้สําคัญคือรู้ระบว่างบางทีแปลวัดประคองจิตเหมือนเหมือนเราพยายามประคองตัวรู้ที่จริง ต, ตัวรู้ไม่จำเป็นต้งองประคอง ตัวรู้คือตัวที่มันเกิดใหม่เ ก, ดดเกิดดับเกิดดับไปกี่ครั้แต่ถ้าไม่ประคองไว้มันก็รู้แป๊บเดียวมันก็ไปอีกแล้วใช่คืออะไรใช่คือเราจะไปคิดว่าตัวรู้เป็นตัวเทีย่ยมมันมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่เหมือนสมมติอันนี้คือตัวรู้แล้วก็เราประคองไว้ว่ามันต้องดูแบบไม่ให้ค้าศัยตาไม่ใช่แต่จริงคือตัวรู้คือเกิด เรามันก็จะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอันนะี้แต่แล้าพอประคองเนี้ยนะมันมันจะเหนื่อยเหมือนเราต้องการให้มันเห็นตลอดทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวหรือว่าทุกขณะที่มันเกิดอะไรขึ้นในใจอันนี้ยการประคองมันจะเหนื่อยแต่ถ้าเราก็แค่รู้สึกไปที่จริงการรู้สึกเนะี่ยก็คือเกิดเรารู้แล้ว การที่รู้ทันเผยไปคิดนันก็คือเกิดตัวรู้แล้วมันจะเห็นตัวรู้เองก็เป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับแต่จริงแล้วว่าตัวรู้มันจะไปแทะตัวโดมตัวรู้มันจะไปแทกตัวคิดการที่แทกอ่ะมันเหมือนที่ไทยคล้ายๆเหมือนถ้าเป็นน้ําไหลไค่อยๆนะเราเอาอะไรเปิดปากน้ําุบน้ ำ, น ำ, นนนำไม่ต่อกันเราเหช่องว่างของของน้ําที่มันไม่ต่อกัน ที่แต่ก่อนมราคิดว่าจิตเราเป็นหนึ่งเดียวไหลเป็นเหมือนน้ําที่มาต่อกันแต่จริงมันเป็นมันมีช่องว่างมาเยอะ แ, แต่แต่ก่อนมันไม่เคยเห็นช่องว่างตรงนี้เพราะว่ามันคิดเรื่งนี้จบคิดเดิ่งนั้นต่อหรือบางทีก็แค่กระปรรงไปเรื่อยๆเราจะเห็นช่องว่างแต่ละขณะแต่ละขนาดอันนี้แหละมันจะค่อยๆเกิดเป็นยาที่เห็นว่าที่จริงที่เราคิดว่าจิตมันเป็นเราความคิดมันเป็นเรา มันจะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่การการประกอบกันการต่อเนื่องกันบางครั้งก็หลงบางครั้งก็รู้แต่แต่หลงหรือรู้มันก็เป็นเพียงแค่สภาวะอาการ จะมีเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเข้ามาเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะพอเรารู้ตัวปุ๊บเหมือนกับเราก็พยายามจะจะตามตามไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยความคิดของเราอยู่ทีนี้พอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยไม่ไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะว่ า, วามันตาน่างกันยังไงกับการที่อาจารย์บอกว่าให้เราให้เราตามตามดูตรงเนี้ย หรือว่าเขาเขากำลังคิดอะไรอย่างเงี้ยแับกับการที่เหมือนกับเราไปสั่งว่าเฮ้ยกลับมาเหอะกลับมากลับมาเดินมันมั น, นต่างกันยังไงคะคือที่บอกว่าดูดูความคิดหรือดูจิตไม่ไม่ใช่ไปดูไม่ได้ไปดูเรื่องราวไม่ได้ไปดูเอาเนื้อหาในในเรื่องที่ที่คิ ด, คดหรือว่า ในสิ่งที่จิตมันมันปรุงแต่งเนาะหรือไม่ได้ดูเนื้อหาแต่คล้ายๆเหมือนดูว่าจิตมันถูกความคิดครอบงำจิตมันถูกอารมณ์ครอบงามันคล้ายๆเหมือนไม่ใช่คล้ายๆล้าไม่ใช่ว่าเหมือนเราไปดำน้ําแล้วก็ดูปลาในน้ําแต่เราอยู่อยู่บนฝั่งอยู่บนบกแล้วก็ดูดูน้ําที่มันไหลดูปลาที่มันว่าย ดูแบบนั้นมันจะดูเป็นภาพรวมแล้วเราไปถอนตัวเองออกมาแต่ตามที่บอกว่ากลับมาจากความคิดนะอันนั้นก็เหมือนคล้ายเหมือนตอนที่เรารู้ตัวว่าเราปิดจมอยู่ในน้ําแล้วเราก็รู้ตัวแล้วก็โผล่ตัวเองพ้นจากน้ําขึ้นมาเมื่อเรารู้ตัวว่าเราจมกับความคิดจมกับอารมณ์เราก็พาตัวเองพ้นออกมาจากความคิดจากอารมณ์แต่มันอาจจะพ้นแป๊บเดียวแล้วก็จมใหม่ ไม่เป็นไรแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่อันนี้คือาจารที่เรียกว่ากลับมากลับมาหากรรมฐานหรือว่าออกมาจากความคิดการที่เราออกมาจากความคิดนี่มันมันคือที่ที่ถ้าอาารเคยบอกว่ามันมันเหมือนกับเราไปไปสั่งมันรือเาเราไปจัด ก, การมันหรืป่ามันเป็นมันเป็นความคล้ายๆจับตั้งใจตั้งใจออกมาก่อน ตอถ้าสติมันยังเป็นธรรมชาติยังไม่เป็นอัจฉรให้จริงมันก็มันก็เหมือนเรามีความพยายามสักหน่อยมันก็เจือด้วยเจอด้วยความตั้งใจที่เป็นเจตนาอ่ามันมันอาจจะไม่ใช่แบบไม่มีความไม่ใช่ว่าแบบไม่มีเจตนาแต่เป็นความตั้งใจเจตนาที่ออะไรเนีย่ยที่บอกที่ว่านะเจตนาที่เราจะสร้างความรู้สึกตัวก่อนสร้างการรู้ขึ้นมาก่อน สร้างตัวรู้ขึ้นมาก่อนสร้างตรงนี้ไปเปลยนการตั้งใจออกมาแต่พอเราสติเรามากขึ้นจริงจริงไม่ต้องเจตนามันมันเข็ยนแล้วมันก็ออกของมเองเข็ยนแล้วก็ออกของมันเองมันจะตามกัน แ, แต่รแรกก็อาศัยเจตนาในการออกมาแต่เดี๋ยวแต่ว่าอย่างที่บอกอยู่บางบางคน <c oughs> พเพราะไม่ชอบที่เราหลบมันก็เลยเหมือนจะ้ายๆพยายามแต่ชาออกมานึกมาไอแบบนั้นไม่ใช่เราแค่ว่าเอมายละ อ่าประมาณนั้นก็เหมือนที่ใช้าเหมือนรู้สึกว่าหลงไปแล้วนั่นก็แค่นั่นแหละะวตอนที่เรารู้ตัวว่าหลงนั้นก็ที่จริงก็มีสติแล้วแต่แล้วเราก็บางครั้งความคิดอาจจะยังอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าเราหลงไปแ ล, แล้วก็กลับมาอยู่กับตรงนี้พอเรามาอยู่กับตรงเนี้จิตจิตที่จริงก็อย่างว่าจิตมันรู้อารมณ์ในจิตอะไอย่าง จิตตอนที่เรารู้สึกตัวตอนนี้จิตมันจะไม่คิดไอ้ที่รู้ว่าจิตมันคิดเมื่อกี้คือจิตที่มันผ่านไปเมื่อกี้ผ่านไปเมื่อกี้มันมันคิดไอ้ตอนเนี้ยเรียกว่าไม่คิดมันจะมีคล้ายๆเหมือนความรู้สึกตัวที่อยู่อยู่หลังความคิดอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มันคิดไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานตามตามทันความคิดอีกทีหนึ่ง ทำไมหรวงพ่อเจียนบอกแมวบอกหนนะูมันเหมือนคล้ายๆไล่จับฟันนะแต่จริงมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นความตั้งใจเจตนา น, นะแต่ธรรมชาติมันมันได้ทันมาดรู้ทันอีกอย่างหนึ่งก็หายไปหมดอีกแต่ต้องระวังเวลาปนนักดนตรีความคิดเรื่องงานความคิดดีๆ บางทีมันก็มักจะแฝกเข้ามาในในตอนที่เราปฏิบัติแะเราก็คิดอยากจะคิดให้มันจบอยากจคิดให้มันเปิดโอกาสดีบางทีย <c oughs> ังคิดงานไม่ออกครั้นี้มาแล้วก็โอกาสดีแล้วไปคิดต่อบางทีก็ต้องฝึกวามันโยูพอเราฝึกวามันบ่อยตอที่เราจะใช้ความคิดอ่ะตอทํา ง, งานมันก็จะออกมาเป็นระบบเป็นรูปเดียวอ่มันก็จะคิดตอนนั้นได้เลย แต่พอเราฟุ้งซ่านมากๆใช่ไหมสนะังเกตไหยตอนทางานจริงเราก็คุ้งตอนคิดที่ทํางานก็เลยไม่ไม่เสร็จนะ ม, มันก็เลยไม่จบจนมามันโผล่มาตอนอื่นแต่ถ้าเราฝึกันนี้นไบไปๆจิตใจจะมีระเบียบตอนคิดเรื่องงานมันก็มันก็ออกมาออกมาเสร็จเสร็จแล้วก็วางนะพอเรามาทำเรือ่องนี้มันก็มันก็ตับเข้ามาบ้างแต่ไม่มากนะ มีมีไหมเออเลมาปฏิบัติวัวนนี้ครั้งแรกเป็นไงบ้าง <c oughs> รู้สึกยังไงเวลาแต่ก่อนเค <c oughs> ยนั่งหลับตา <c oughs> แต่ก่อนเคยนั่งนิ่งๆตอนนี้ไม่หลับตาตอนนี้ไม่นิ่งเห็นไหมตอนหลับตาตอนนี้นิ่งแต่ก่อนสิเคยคิดเหมือนกันนะตอนไม่หลับตาตอนยกมือบางีก็คิดเหมือนกัน น, ะ <c oughs> น, นั่นะแต่เราเห็นความนิ่งความสง บ, บอยู่ในความ เคื่อนไหวได้ไหม <c oughs> เราเห็นความนิ่งความสงบในขณะที่ดืงตาได้ไหมเราเห็นความนิ่งความสงบที่มันมันทันเวลาบางทีมัิดเต็มดูแบบนี้นะเราสังเกตเบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางว่าเรจะจับตาหรือไม่แต่เราจะเห็น สภาวะที่ดูเป็นคู่ดูตรงนั้นในในแต่ละการเคลื่อนไหวหรือว่าการไหวหัใจได้ไหมมาสการะค่ะเมื่อกี้เดินอยู่ชั้นชันชั้นบนนะคะเราเดินไปเราประ้สึกขาเดินแล้วมันก็แวะไปแวะไปคิดแล้วอย่างมันก็กลับมาอย่างนี้ถูกเหมกันแบบเราเรารู้แวะไปคิดปุ๊บมันก็เข้ามา มาอยู่ที่ขณนาดะอืมก nah. ็ได้ได้ถือว่าแหละคือมันแบ๊บตัวมันเองเนาะพอเรารู้ตัวว่ามันแบ๊บมันก็กลับมาแต่ความคิดมีน้อยก็ได้คืสังเกตก็ได้บางวันก็คิดมากบางวันเขคิดน้อยบางวันจะคิดต่้ทุกข์ใจมาันก็คิดว่างไม่ทุกข์ใจ มันก็ไม่แน่นอนดังนั้นปริมาณความคิดมากหรือน้อยไม่ใช่เป็นตัววัดความก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาการของการภาวนาตัวที่วัดความก้าวหน้าหรือพัฒนาการการภา้นานคือการสำ ร, รู้ตัวได้บ่อยขึ้นัหมไม่ว่าจะรู้ตัวกับการเห็นร่างกายหรือรู้ตัวกับการเห็นปิดใจเนี่ยให้ดูตัวตัวการรู้ สูขสันที่เรารู้ตัวได้ไดบ่อยไม่ใช่แต่ละวันตั้งแต่เชา้าเ็นเย็นอย่ไปเอาตัวว่าวันนี้คิดมากหรือคิดน้อยเป็นที่ตาง <c oughs> การที่เราฝึกนะครับเราฝึกเพื่อให้เกิดนิสัยคือนิสัยในการดูคืออย่างที่ก็จะนอนในเที่ยงแต่เช้าดูนะครับเพื่อดูแล้วก็จะเห็นนะครับแล้วสิทธิ์ที่เราหัดนะครับหับดูตรงนี้เนี่ยมันก็ แบบว่าเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะครับที่พระอาจารย์เลกันว่าอาศัยนะครับการเดินพเพื่อฝึกความรู้สึกตัวอาศัยการเคลื่อนไหวเพื่อความรู้สึกตัวนี่คือเรานะคล้ายๆว่าในขณะที่เรารู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวได้ไหมว่าใจถึงผิดชิดหรือรู้สึกตัวได้ไหมว่ากายเราใช่ไหมครับมัน เป็นอยังไงนะครับคือตรงเนี้มันจะเป็นสิ่งที่เบื้องต้นนะครับเราหัดเราหัดที่จะดูตรงนี้เนี่ยเราหัดที่จะดูพอเราดูไปนะครับดูไปดูไปเนี่ยเราก็จะเกิดก็เรียกว่าเกิดนิสัยที่จะดูนะครับพอเกิดนิสัยที่จะดูเราก็จะเห็นบ่อยขึ้นนะครับเห็นบ่อยขึ้นเห็นบ่อยขึ้นเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมา นับกับายก็ดีกับใจก็ดีนะพอเราเห็นบ่อยๆนะครับมันก็จะเกิดเป็นความเข้าใจคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเราทําเหมือนเดิมนนะเราทําเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเรียกว่าพัฒนาการเนะี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเราทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับเมื่อกายเคลื่อนไหวแล้วใจมันค่อยรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวใจมันคอยรับรู้เราทําเหมือนเดิมแต่ยังทำในรูปแบบ น, นะครับ เป็นรูปแบบของการสร้างจังหวะก็ดีรูปแบบของการเดินจบกลม ก, ก็ดีอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่เราทำไปเนี่ยในรูปแบบมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับนอกรูปแบบได้มากขึ้นช่ในการอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อกันบางทีเรานับแล้วเนี่ยในรูปแบบเนี่ยเราอาจจะทำได้ไม่มากแต่นอกรูปแบบเนี่ยเช่นกัรมันก็อาจจะ เป็นสิ่งที่เราทําได้มากขึ้นบางวันเราอาจจะมีเวลาบ้างที่จะทําในยุ่งแบบมากนะครับเราก็ทํานะครับแล้วก็ทําสิ่งหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทุกครั้งที่เรารู้รู้สึกตัวทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวเนี่ยผลของความรู้สึกตัวก็คือจิตจิตของเรานะครับก็เรียกว่าก็าเรียกว่ากลับมาอยู่กับเนื่องกับตัวเนะ กลับมาอยู่กันนี้กับตัวคือถ้าจิตกลับมาอยู่กันนี้กับตัวจิตใะนไหมครับที่เถอไปคิดก็ดับไปจบไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นก็คือตรงเนี้ยนะครับเกิดสิ่งที่ก็เรียกว่าในขณะที่เรารู้สึกตัวมันก็มีผลนะครับมีผลของจิตที่อย่างที่พระเจ้าล้ใช้คําว่าจิตที่มันเคยจงนะครับเคยจงอยู่กับทุกคําว่าจงเนี่ยมันก็น่าฟังมากนะครับ เพราะอย่างสมัยก่อนใช่ไหมครับเราจมอยู่กับทุกข์จมอยู่กับความกรธจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับใช่ไหมครับความอะไรต่างๆนานาอะไรนี้เยอะๆยไปหมดเราไม่มีไม่รู้จักวิธีที่จะช่วยขึ้นมาใช่ไหมครับตัวเราเองเราก็รู้นะใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเราไม่มีวิธีการแต่เหมือนกับว่าครูบาอาจารย์เนี่ยใช่ไหมครับท่านก็มีประสบการณ์ของท่านนะดังนั้นนี่คือ คำสองคำนั้นคำเดียวเท่านั้นเองก็กดึงจิตที่จงเนี่ยพล น, น้ำออกมาใช่ัหมครับเนี่ยแต่อย่างที่เรามักจะหวังกันก็คือเมื่อผลน้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปจิตใช่ัหมครับเนี่ยนี่คือเป็นความหวังทั่วไปเลยนะซึ่งเมื่อช้าวิจารณ์ร้อยก็บอกคนระับยบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินข้าวอิ่แล้วเนี่ยเราจะไม่กินอีกไหมนี่หวงังกลับไปก็ไม่ใช่นี่ใช่ไหมครับแต่นี่คือให้เรารู้ว่าเรามีวิธีการที่จะดึงจิตขึ้นมา วิธีการที which which so together, back, so ่จะดึงจิตข cool ึ home, ้นมาแต่วิธีการที่จะดึงจิตขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยให้จิตจองเมื่อไหร่แล้วเราก็จะดึงเขาขึ้นมาได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้คือเราก็ไม่ใช่ว่าประมาณเช่นนั้นนั่นคือตรงนี้เราก็จะฝึกใช่ไหมครับเพื่อที่เหมือนกัว่าคอยที่จะคอยดงนะครับเพียงแค่จิตเขาแว้บไปก็ให้เขากลับออกมาหมจิตเขาแว้บไปก็กลับออกมาหมกลับมาที่ไหนกลับมากับการเคลื่อนไหวอย่างนี้ใอาศัยความเคลื่อนไหวตรงนี้ เป็นพัฒนาความรู้สึกตัวไปด้วยอาศัยความเคลื่อนไหวตรงเนีเพ้พาจิตนะครับกลับมาจากความคิดไปด้วยนั่นคือไม่ต้องไปสนใจว่า diyorum, คิดอะไรยังไงนะครับเพียงแค่รู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกเอานี้เผลอไปคิดนะเอากลับมาก่อนเผลอไปคิดนั่กับความคิตอาจจะจบไปแล้วหรืออาจจะยังไม่จมไม่เปนรังเลนั่นคือตรงนี้ทุกครัที่เรารู้สึกตัวจิตก็จะปลอดภัยจะมครับจิตก็จะปลอดภัยตรงเนี้ความทุกข์ของเรานะครับ มันก็อยู่ที่ตัวจิตเนาะใช่ไหมครับหนักอกหนักใจที่เราพูดกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่หนักที่ใจอย่างเนี้ยใช่ไหมครับนั้นก็คือนี่นี่คือสิ่งที่พอเวลาที่พาจิตกลับมาสิ่งที่แบกอยู่ในจิตมันก็ใช่ไหมครับมันก็หลุดออกไปอย่างเงี้ยพื่อให้เราได้ได้มองเห็นจิตนะครับเป็นเป็นที่ว่างว่าที่มีอะไรถางเข้ามา ถ้าเรายินดีนะครับที่จะเหมือนกระตั้นรับสิ่งที่ผ่านเข้ามาเนี่ยสิ่งนั้นเก็จะจมอยู่ในจิตเราใช่ไหมครับจิตเราก็จะกลายาเป็นจะพว่าเป็นสิ่ง น, นั้นไป <c oughs> เป็นความโกรธเป็นความเศร้าต่างๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จิตก็คือจิตเป็นคำสิ่งที่ผ่านเข้ามาก็คือสิ่งที่ผ่านเข้ามาถ้าเราไม่สนใจเลยใช่ไหมครับรู้ว่าจิตเราลอยไปผสมรง ก, กับอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า เธอเปิดคิดเนี่ยใช่ไหมครับอย่างนี้เราก็ไม่สนใจเลยล่ะใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่สภาวะปกติเพราะว่านี่คือเรากระนั่งตั้งใจตั้งใจที่จะตั้งใจเจริญสติเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดอย่างเนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้นั่นก็คือตรงนี้คําบมาให้เราหักแบบเนี้ยนะครับเวลานี้เป็นเวลาเจริญสติไม่ใช่เวลาคิดเวลานี้เป็นเวลาเจริญสติไม่ใช่เวลาคิดอย่างเนี้ตรงนี้ยถ้าเรามั่นคงแบบนี้นะครับ เราจะทาจิตกับาบางอะไบ่อยแล้วพอการที่เราทานจิตกับาบางไรบ่อยทานจิตกับางอไรเราก็จะมีนิสยัยใช่ไหมครับเราจะมีนิสัยที่จะไม่ไปอ้อนอิ่มกับความคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมคนับนี่คือนี่คือสิ่งที่เหมือนกันว่ามันก็มีเขาเรว่ามีมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นฐานนะครับก็าเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยที่เรากำลังทําอยู่นะครับตรงเนี้ยคือ คือเ้าเรียกว่าในในเขาเรียกในประสบะการณ์ของหลวงพ่อเนะในประสบะการณ์ของหลวงพ่อเนะี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยครับหลวงพ่อจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีวิธีการที่จะทำกรรมาฐานด้วยวิธีใดเลยนะหมายถึงว่าในชีวิตไม่เคยไม่เคยทําก่อนอย่างนี้นัน่งสมาธิอะไรจะเป็นบริกรรมพุทโธอะไรต่างๆนาไม่เคยทํา ก็ไม่เคยสนใจเลยเนี่ยใช่ไหมครับเห็นไหมแต่อพอเวลาที่เจอการที่ท่านเขียนปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับเรามีความรู้สึกว่ามันคําคําแนะนําของท่านเนี่ยตอนนั้นก็อาจจะเปิดกระบอกพอเราลองทําเนาะเราเนื่องจากไม่เคยมีฐานความรู้อะไรมาก่อนเนี่ยพเราเริ่มลองทําปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําปุ๊บเราก็ได้เห็นผลมา ใชไหมครับเห็นผลว่าโอ้นี่อ้อมมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับอย่างนี้เนาะอืมเป็นสิ่งที่คําสอนของท่านเนี่ยมันเป็นคําสอนที่เราทำได้นะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นนะว่าเหมือนกับว่าเห็นตัวตัวหลวงพ่อคำเขียนตัวครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็เห็นท่าของท่านเนี่ยอาการการเคลื่อนไหวการจินกันอยู่เท่าที่เราเห็นตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่า คำสอนของท่านเนี่ยทาให้ท่านเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะครับมีศรัทธาแล้วก็ทําให้เราได้ลองทำตามคําแนะนําของท่านอย่างนี้เมื่อเราทำตามองาทาตามคำแนะนําของท่านเราก็ได้ผลเนาะใชได้รับได้ผลคือตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับเราก็ไม่ไม่มอกแวกไปอื่นน ยังคําพูดของหลวงพ่อนะครับที่ที่สามนยหลวงพ่อจะบอกว่าอย่าเอาเหตุอย่าเอาผลนะอย่าเอาถูกอย่าเอาผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันเป็นคําพูดที่อืมมันเป็นเรื่องของนิวรณ์นะที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เรากาลังปฏิบัตินี่ยงใช่ไหมคระบมันจะมีความสงสัยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือความสงสัยตรงเนี้ยนะครับมันจะทําให้เราแบบว่า หาเหตุหาผอันนี้ใช่เรืเองราวหรืออะไรเงต่างๆนานถ้าสึกสิ่งนี้คือสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่จะชวนเราออกจากการประทัดจะเป็นแบบเมื่อทำไมต้องเรียกว่าชวนเราออกจากการประทัดเาะว่าเหมือนกับว่าขึ้นใจอยู่ของเราเนี่ยครับจะไม่ต้องรังพรางพาใจกลับมาจับจะไม่ต้องพาใจกลับมาจับความคิดกลับมาดูความเป็นไปของกายของใจเรา ปรากฏว่าอ้าวเราต้องกลับเข้าไปสู่เหตุผลจะเป็นการสิ่งนี้ยอืใช่ไหมครั บ, อ, อ, รบอะไรถูกอะไรผิดอะไรต่างๆมากมายอ๋อจะเป็นการเราก็ดูว่านี่มันเป็นสิ่งที่ผ่านออกจากกรรมฐานจะเป็นการสิ่งนี้ยบางทีเราก็ไปกับความกุงสร้างใช่ไหมครับสิ่งนี้ยคือตรงเนี้บางทีเราก็ไปกับควา ม, ามาาวามม่วงคือทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าในขณะที่เรากําลังทำ ก, กรรมฐาน มันก็เหมือนกับว่าเรามาถูกทางเนาะแต่ว่าทํางเราเดินกันไปก็มีอุปสรรคมีอุปสรรคที่จะมาขัดขวางอยอุปสรรคที่ขัดขวางจะใช่ให้เราได้ให้เราได้ดูเลยนะครับว่าความม่วงก็เป็นอันหนึงที่เป็นอุปสรรคมาขัดควางจะเั็นคะว่าพอเราไปเหมือนจะไปสู้ลบตกมือกับความห่วงใช่ไหมครับเราก็ออกจากกรรมฐานไปอย่างเงี้ยคือนี่คือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับ บนเส้นทางที่เรามาถูกทางเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคอะไรหลายอย่างที่ชว่เราเผยเนี่ยเยอะมากๆเนี่ยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็เนื่องจากว่ามีศรัทธากับหลวงพ่อคำเขียนมีศรัทธากับการที่คําแนะนำของท่านที่เราลองทําแล้วเราทําได้เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นกับว่าเราค่อยๆนะสดงว่าค่อยๆพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามา ค่อยๆพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านอมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเร า, เราก็ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่อาการของกายอาการของใจที่ เ, เออดดลืนะ่ขึ้นเปนะ็นอย่างที่ว่าเออผู้โด่งบนเขาเทล่าเนยขึ้นลงขึ้นลงบนเขาทุกวันแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้สิ่งที่เอาติดตัวไปก็คือคํำสอนนะ้อย่างที่เช่น วางกายใจกลางใช่ไหมครับเวลาที่เราขึ้นเขาเนี่ยใช่ไหมครับเราลองวางกายใจกลางดูเลยครับสิ่งที่ทําก็คือมันจะสนใจเราว่ายอดเขาจะอยู่ตรงไหนเราสนใจเพียงแค่มาก้าวแต่ละก้าวของเราเนี่ยนะครับเราควรจะก้าวไปตรงไหนตรงนี้มันแฉะตรงนั้นมันหินอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราควรจะก้าวไปตรไหนเราก็ก้าวไปตรงนั้นใช่ไหมครับอย่างเนี้ยเราควรจะก้าวไปไหนก็ก้าวไปตรงนั้น แล้วก็เราก็สังเกตนะพอเวลาที่เราไม่ได้สนใจว่ามันสูงมันชันแค่ไหนเนีลยปรากฏว่าอาการทางกายเนี่ยกายมัปรับเร็วมากนะครับอันที่เช่นสมมตินาะมันชันใช่ไหมครับพอมันชันขึ้นปุ๊บเนี่ยการมันก็จะปรับสปีตัวมันเองครับการก็ปรับสปีตัวมันเองอย่างนี้ครับพอเวลาที่มันลาบหน่อยมันก็ปรับสปีตัวมันเองเนี่ยนะคือแม้ว่าบางทีเนี่ยเรามีความรู้สึกโอเราใช้ความพยายามมานานมาก มันค่อนข้างล้าขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเป็คนรู้สึกว่าการเนี่ยมันล้ามากแล้วแต่พอปรากดว่าพอมาเจอที่หน้าป๊บเนะครับก้าสองเก้าแต่ะนั้นเอ๊การล้ามากหายไปแล้วอย่างเงี้ยเร็วมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ้นนั่นคือมันเป็นเดินที่เมื่อก่อนเราก็จะไปอ้อยอิย่งโอไม่ไหวแล้วเือเดินต่อไปไม่ไหวอะไเงี้ยถ้าเราไปติดอยู่กับความล้าใช่ไหมครับเดีวแต่วันนี้ก็คือเราก็มองเห็นเอ้านี่ใช่ไหมครั บ, ก า, ารบการมันมันปรับเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงอะไรต่างๆนานาเออเราก็ใช่ไหมคือปล่อยให้เขาทําหน้าที่ไปแล้วเราคอยสังเกตนี่คอยสังเกตไปล่าทําหน้าที่ไปแล้วเราคอยสังเกตตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเออนะเราก็ได้สังเกตทํำไม่ได้จะเป็นอาการกายอาการใจเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเคาะปุ่อย่างเนี้ยใช่ไหมก็ปุ่งอย่างเงี้ทุกหมนปุ่งอย่างเนี้ยอยู่ทุกวันทุกวันมันก็ทำให้เราได้วองไวขึ้นแล้วก็เห็นสิ่งที่อะไรว่าเออมันเป็น ธรรมชาติของการธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้เราก็มีความรู้งใจว่าเขาจะสูงเรก็ไม่พุ่งนะใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าจะอะไรยังไงต่างๆหน้าเหล่านี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็พรุ่งนี้จะเดินกี่กิโลก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมครับอย่างนั้นเราก็เพียงแค่คอยดูใช่ไว่าตรข้างหน้าเรามีที่ราบตรงไหนให้เราก้าวให้ให้เราเหยียบอย่างเนี้ใช่มันก็ผ่านแล้วสบายแล้วอย่างนี้เรื่องต่างๆนะครับตรงนี้ก็อยากให้พวกเราเนี่ได้เหมือนกับ นะครับึกนะครับฝึกอย่าไปอย่างที่พระเจ้นมพูดอยู่คำนึงนะคุณลองฝึกเรื่องเดียวเนี่ให้เก่งนะครับฝึกเรื่องเยอะเพราะว่าเรือตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่เก่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือความเก่งตรงนี้ก็คือการที่เราเก็นได้ไวขึ้นจิตใจเราจะไม่เปิดจมอย่างนี้ถ้าเราเห็นช้าเนี่ยจิตใจเราจะเปิดจมนะแต่ถ้าเกิดแล้วเราจนในคำเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นได้ไวขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่า เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้แบบว่านี่มันก็เรื่องเก่าก็จบไปแล้วนะเดี๋ยวเรื่องใหม่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่เราก็จะไม่ไปอ้อยอิ่งกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาที่นั่นว่ามันเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่องใหม่เข้ามานั่นก็คือตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้หัห rin. กักกรรมาฐานตรงเนี้นะครับเป็นกรรมาฐานที่ที่เราสา ม, มารถที่จะใช้กระชับประมวลได้นะครับแล้วก็ มีเวลาทาําในรูปแบบก็ทำไม่มีเวลาทาําในรูปแบบก็ใช่ไหมครับก็อยู่กับอยู่กับกิจการอยู่กับการงานของเราใช้ได้ใช้ได้มั่งใจนะครับเดี๋ยววีดีท์หนึ่งเนาะที่เราจะไปใช้กับการงานยังไงถ้าเป็นการงานที่ไม่ต้องใช้ความคิด อพอให้รู้สึกกับกายให้มากการงานที่ต้องใช้ความคิดกิจวัตรประจำวันของเราะอแต่งฟันล้านหน้าแต่งตัวก่อนบ้านถูบ้านนี่ก็ให้รู้สึกกับกายที่มากๆแต่ถ้าเป็นการงานที่ต้องใช้ความคิดอันนั้นก็อาศัยว่าให้ตั้งใจคิดให้มันอาจจะไม่จะเสถียรแต่เป็นการมีสมาธิมีสมาธิตั้งมั่นกับ งานที่ทำเฉพอาะงานนะถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดใช้สมองใช้อะไรเพราะเราก็ต้อแใช้คิดแต่ถ้าเราผุดสติ ไ, ไวๆเราจะเมื่อเช่นเกิดความคิดผุกสร้างอย่างอื่นขึ้นมาที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานอันนั้นให้รู้ว่าไอ้ความผูกสร้างเนนะี้ยมันไม่ใช่ควาตั้งใจไม่ใช่ทำงานที่ที่เราทำํำมันก็สติเราจะตัดความผูกออสร้างเท่นั้น หรือมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเช่นไม่พอใจนะเวลาทางานนะไม่พอใจตัวเองที่คิดไม่ออกไม่พอใจที่เสียงดังรอบข้างอะไรนะไม่พอใจคนนี้เดินผ่าน ม, มาไอ้ความไม่พอใจ อ, อารมณ์นี้มันใช่งานไหมไม่ใช่ใช่ไหมบางทีไความไม่พอใจก็จะปุงเหตุผลปุงความคิดอย่างอื่นมาแทรกระหว่างงานใช่มไหมแต่ก็จะ มื่อกี้ยังคิดอยู่พอไม่พอใ จ, จขึ้นมาก็ฟู้งเหตุผลเข้าไปว่าเขาก่อน <c> เ <ười> ข้าไปบอกให้เขาเยิ่งอ่อนเราถึงจะทํางานได้ให้เรารู้จักแยกนะตอนตั้งใจทำงานก็อาจจะตั้งใ จ, จงคิดประคิดแต่ถ้ามันฟุง้งซ่านอื่นให้เรารู้ทันหรือเกิดอารมณ์ขึ้นมาระหว่างที่ทํางานให้เรารู้ทันให้รู้ว่าความฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแทกเข้ามา อย่างที่ว่าเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยเพิ่งไปเอาเกดเัาผนกับคนอื่นนะให้กลับมาแก้ใจเราขอให้เป็นปกตินะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปดูที่คนอื่นแล้วเขาทำผิดแล้วเขาทำไม่ดีนะมันจะมีเหตุผลอีกมากมายที่ทาให้เราหลงไปว่าหลงไปตาหลงไปโกรธหลงไปทุกข์แต่ถ้าเรากลับมาดูตัวเองก่อนเรามารู้ทันความหลงรู้ทันความคิด เมือทานอารมณ์ตรงนี้จิตกลับมาเป็นปกติจิตจะมาเป็นปกติก็เหมือนเราให้เอาความคิดเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องงานหรือแก้ปัญหาเรื่องคนก็เอาไปใช้วิธีนึงอันนี้คือเขอาฝากไว้นะให้เราลองไปใช้ับเวลาเราทำงานใช้แบบนี้นะลองดูทําได้มากได้น้อยก็ก็ค่อยค่อยฝึกไปเนาะ